のラッど。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 ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามรองรับการให้บริการสองสาขาสาขาที่หนึ่งภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บ, บรุรีจังหวัดปทุมธานีและสาขาที่สองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บ, บรุนบบรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิเ่มเติมศูนย์สองห้าเก้าสองหนึ่งเก้าสามสาม ชอบพวงชมพูกาแฟหอมกลุ่นชอบพวงชมพูเบเกอรีร่สดใหม่ชอบพวงชมพูรสชาติดอนใจชอบพวงชมพูทุกเพศทุกวัยฝากทองได้ที่ชอบพวงชมพูศูนย์ปฏิบัติการชอบพวงชมพูให้บริการอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่และห้องบริการจัดเลี้ยงแบบครบวงจรที่ได้มาตรฐานห้องขนาดใหญ่อากาศดีใกล้ธรรมชาติราคาย่อมเยาด้วยบริการจากทีมงานมืออาชีพ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 สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์นะครับทางเอฟเอ็ม 89.5 เมกะเฮิร์สต์นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพรชัยจันทราสุภาษแส่งนะครับบอกรมิงเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่งานเต็งวันจันทร์ที่สองธันวาคม2562นะครับก็ เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับแหม่เพิ่งจะบอกว่าปีใหม่มาหยกหยกแป๊บเดียวนะฮะก็มาถึงช่วงของสิ้นปีกันอีกแล้วนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายที่เราจะต้องมาสรุปร ว, รวมประมวลเขาเรียกว่าผลงานของตัวเองเพื่อที่จะวางแผนสำหรับปีหน้านะครับและก็ต้องเป็นอีกหนึ่งเดือนที่สำคัญจริ ง, รงๆเพราะว่าวันที่19ถึง22มิถุนวาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ประมาณช่วงกลางเดือนนี้ เราก็จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับคอมมานด์เวิร์ค2019นะครับครั้งนี้หรือว่าปีนี้อาจจะมาช้ากว่าเดิมนิดหนึ่งแต่แน่นอนนะครับถึงจะมาช้าแต่แน่นอนต้องเจอกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับของช่วงเวลาครึ่งปีหลังแล้วก็อาจจะมาดูเทรนด์ของปีหน้าว่าปีหน้าเขาจะไปทิศทางอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างระหว่างอินเทล คอไอสามไอห้าไอเจ็ดและไอเก้านะครับที่หลายคนบอกว่าเอ้ยมันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันต่างกันยังไงเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่มิงจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็โดยความแตกต่างของมันเนี่ยมันก็คือจำนวนคอเนี่ยต้องบอกว่ามันคืออ、Jean、ัตราการกินไฟและราคาและสำหรับใครที่อยากรู้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะครับ CPU ก็คือเซนทรัล processing unit อันนี้คือคำเต็มของมันนะฮะ central processing unit นะครับถ้าใครเรียนคอมพิวเตอร์สมัยก่อนโน้นเนี่ยเขาต้องมานั่งท่องซีพียูแปลมาถึงย่อมาจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งถ้าแปลแบบภาษาไทยก็คือหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับทำหน้าที่คล้ายๆกับสมองคนเวลาจะตัดสินใจเดินไปข้างหน้าเดินซ้ายหรือเดินขวาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวคิดนะครับแต่ว่าซีพียูนั้นประมวลผล สิ่งที่ซับซ้อนมากกว่านั้นอีกนะฮะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ย CPU จะมี ค, าค่าความถี่ของสัญญาณนาฬิกาหรือว่ากิสซึ่งเป็นตัวกำหนดความเร็วในการทำงานแต่สมัยนี้นะฮะกิสหรือไอตัวกิกะเฮิร์ตตัวเนี้ยอาจไม่สามารถตัดสินได้ทั้งหมดเพราะว่า CPU รุ่นใหม่ๆจะเน้นที่แกรนประมวลผลหรือว่าจำนวนคอก็คือตัวกิ๊กกระเฮิร์ตก็มาที่คอที่มากขึ้นทำให้ช่วยกันประมวลผลและทำงานหนักๆได้เร็วกว่าเดิมนะครับสำหรับคอไอสามนะคะถูกออกแบบมาให้มีจำนวนคอน้อยสุดโดยมีสองถึงสี่คอและก็กิ๊กกระเฮิร์ตไม่มากเนะี <c> ่ย <oughs> ราคาถูกสุดใช้สำหรับการประมวลผลทั่วไปได้พิมพ์ประเภทแบบพิมพ์งานเปิดดูเว็บยูทูบดูเน็ตฟลิกอะไรประมาณนี้ก็สามารถทำได้นะครับ แต่หากเปิดแท็บมากมากหรือว่าดูวิดีโอที่มีความละเอียดหน่อยเนี่ยก็มีความอืดเหมือนกันนะครับมาที่คอไอห้านะฮะอันนี้รุ่นอัพเกรดจากไอสามขึ้นมาหน่อยมีจำนวนคออยู่ที่ประมาณสี่ถึงหกคอจำนวนคอมากขึ้นจากไอสามนิดหน่อยราคาก็อยู่ประมาณกลางๆเป็นรุ่นยอดฮิตที่สุดของเหล่าเกมเมอร์เพราะว่าพวกเขาจะซื้อไอห้าแล้วเอาเงินที่เหลือเนี่ยทุ่มเท ก, กับการจ่อแยกเพื่อทำให้การเล่นเกมได้ดีขึ้นนะครับ มาที่คอไอเจ็ดนะครับสำหรับตัวคอตัวนี้คอไอเจ็ดตัวนี้จะมีคออยู่ที่ประมาณหกถึงสิบคอแน่นอนนะครับว่าจำนวนคอมากขึ้นออกแบบมาก็สำหรับการทำงานที่ต้องการการประมวลผลที่มันมากขึ้นเช่นการทำงานกราฟิกตัดต่อวิดีโอเปิดโปรแกรมหลายหลายอย่างพร้อมกันหรือว่าลั่นเซิร์ฟเวอร์เล็กๆด้วยจำนวนคอที่มากขึ้นก็กลิ่นไฟมากขึ้น แล้วที่สำคัญนะครับความร้อนก็มีมากขึ้นด้วยนะครับอ่าอันนี้มากี่คอแล้วสามห้ามาเจ็ดมาที่คออีกหนึ่งคอคือคอไอเก้าอันนี้เขาเรียกว่าขั้นสุดในยุคนี้เลยแต่อนาคตก็คงจะมีคอไอสิบที่กำลังจะออกมานะฮะในงานคอมมาร์รอบนี้เนี่ยหรือคอไอสิบเอ็ดในอนาคตนะฮะขั้นสุดของตอนนี้ก็คือซีพียูจากอินเทลมีราคาแพงที่สุดกินไฟมากสุดร้อนที่สุดหากเทียบกับทั้งสามตัวก่อนหน้านั้นโดยจะมีจำนวนคออยู่ที่แปดถึงสิบหกคอ ใช้ในการประมวลผลงานหนั ก, นกๆเช่นการตัดต่อวิดีโอหรือการทำกรา ฟ, ฟิกที่มีรายละเอียดมากๆนะฮะแล้วก็หรือจะเอาไปทำเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็ยังทำได้นะครับ <c oughs> หรือบางคนจะให้เป็นเวิร์กสเตชันชั้นเยี่ยมก็ทำได้แต่หากใครมีเงินเหลือที่จะซื้อมาเล่นเกมแล้วเผื่อไว้ทำงานในอนาคตก็ไม่ติดนะครับสำหรับตัวนี้แต่อาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องความร้อนนิดหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นคอไอต่างๆส่วนตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่วันก่อนที่มีการถแถลงข่าวเนี่ยทางอินเทลก็มีการฝากบอกว่าตัวคอไอสิบนะครับมีแน่นอนสำหรับการขายในงานคอมม่ารอบนี้แล้วก็จะมีโน้ตบุ๊กหลายๆรุ่นนะครับที่ใช้คอตัวนี้นะฮะเป็นแบบโอเอ็มที่ ไปพร้อมเครื่องเลยนะฮะไม่ต้องซื้อแยกนะครับอ่าทีนี้ใครที่มีแพลนจะจัดสเปกนะฮะก็ต้องบอกว่าฟังถึงตรงนี้ก็น่าจะพอจะเข้าใจระดับหนึ่งนะแต่เอาง่ายๆว่าถ้าเราจะใช้งานทั่วไปเนี่ยไอสามก็เอาอยู่นะฮะส่วนไอห้าก็ถือว่าใช้งานชั้นดีนะฮะแต่ถ้าเอามาเขาเรียกว่าเล่นเกมเนี่ยซักไอห้าเนี่ยก็จะพอพอใช้งานได้แหละแต่ถ้ามีงบประมาณหรือบัตรเจ็บ เหลือเฟือก็อาจจะเลือกมาที่ i7 i9 ส่วน i10 นะครับแน่นอนว่าพึ่งออกมาราคาก็คงยังพอสมควรเนาะแต่ถ้าเราเป็นยูเซอร์ประเภทชอบอะไรใหม่ๆเนี่ยการใช้ i10 มันก็เท่ไม่หย อ, อกเนะฮะแล้วก็จะได้ลองสัมผัสประสบการณ์ที่มันแรงเกินค่าจากสิ่งเหล่านี้เนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับตรงนี้อย่างที่บอกก็คือมันก็เป็นความแตกต่างนะจำง่ายๆว่า intel core i อะไรถ้า3 5 7 9 เออแต่ทำไมแอตไปเป็นสิบก็ไม่รู้เนาะทำไมไม่เป็นไอสิบเอ็ดเขาอาจจะเออไอสิบเลขสวยก็เลยให้เป็นไอสิบมั้งนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวรายการคอมจูเดย์ก็จะมีเนื้อหาสาระแนวแนวเนี้ยมาเล่าให้ฟังอยู่ในช่วงต่อต่อไปเป็นระยะระยะนะครับก็อยากจะฟังเรื่องเราวอะไรก็สามารถที่จะอินบล็อกมาบอกพี่มิงได้เช่นเคยนะครับ <S <S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 t i a o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 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านผู้จนาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้แล้ววันนี้ที่025493161คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมท <Today. S 2> ูเดย์นานาสาระ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยี、Technology, สาระสนเทศสมัยใหม่คลิกใจให้มาตรงกัน TV, ทีวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM แปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์ตส์กลายเป็นข่าวใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับโจอันไอฟ์นะครับหัวหน้าฝ่ายออกแบบของ Apple, แอปเปิ้ลลาออกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าและแล้วก็ถึงเวลาหลังจากชุ่ม ช่วงสิ้นเดือนกรกดาเนี่ยกรกดาที่ผ่านมาโจนาธานอีฟหรือว่าจอห์นจอห์นนี่อีฟนะฮะหัวหน้าฝ่ายออกแบบมือฉางของแอปเปิลเนี่ยก็ได้ประกาศลาออกแต่ระหว่างนั้นนะครับยังคงร่วมทำงานกับแอปเปิลต่อไปล่าสุดนะครับเมื่อวานซึมชื่อและรูปภาพของจอห์นนี่อีฟได้ถูกลบออกจากบอร์ดผู้บริหารของแอปเปิลไปเรียบร้อยแล้วนะครับนับเป็นการลาออกอย่างเป็นทางการสำหรับจอห์นนี่อีฟนะครับหลังทำงานให้กับแอปเปิลมานานถึงสามสิบปี ซึ่งผลงานที่ผ่านมาของเขาก็ได้สร้างชื่อให้กับแอปเปิ้ลมากต่อมากก็คือต้องบอกว่าดีไซน์สวยๆที่เราเห็นของแอปเปิ้ลเนี่ยเป็นผลงานของคุณคนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไอแม็กโดยเฉพาะไอแม็กจีสามนะครับไอบุ๊กหรือว่าแมคบุ๊กในปัจจุบันไอพอดไอแพดไอโฟนแอปเปิ้ลวอชแอร์พอร์ตแอร์หรือแม้กระทั่งหน้าตาเอนจินของไอโอเอสต่างๆอย่างไอโอเอสเจ็ดเนี่ย ก็เป็นผลงานของเขาในการที่จะดูแลนะครับส่วนตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายออกแบบที่ว่างอยู่นะครับก็จะมีเจฟฟ์วิลเลียมส์นะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของแอปเปิลเนี่ยมาดูไปก่อนพังพลาระหว่างที่จะหาตัวจริงที่มาดูแลตรงส่วนนี้เนื่องจากว่ามันเป็นงานออกแบบเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องใช้คนที่มีประสบการณ์มีทักษะในเรื่องของการออกแบบเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับก็เป็นที่ทราบว่าแอปเปิลเองเนี่ยที่ เกิดมาถึงทุกวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นคว า,、mm hmm. ความการนั、mm、่นแหละดีไซน์ที่มันดูเรียบหรูดูดีและกลายเป็นแบบอะไรที่มันดูคลาสสิกที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกเนี่ยข้างใครบวกกับความเป็นสติ๊กจ็อบที่พรีเซนต์เก่งนะฮะมีความฉลาดในการพูดจาแล้วมีไอเดียแปลกๆผสมกับดีไซน์ของตัวจอห์นนี่อีฟนะฮะก็ช่วยทำให้ความเขาเรียกว่ามนไคลงของแอปเปิลเนี่ยมันมีมากขึ้นนะครับ อ, อ, อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าจอห์นนี่อีฟจะเลาออกแล้วนะครับแต่แต่แอปเปิลก็จะมีลูกค้ารายแรกของเลิฟฟอร์นนะฮะบริษัทรับออกแบบที่ก่อตั้งโดยจอห์นอีฟเองเนี่ยพร้อมกับมาร์กนิวสันเพื่อนร่วมงานที่เป็นนักออกแบบคนเนี่ยแน่นอนนะฮะว่างานหลายๆอย่างของแอปเปิลจะไม่ใช่จอห์นนี่อีฟออกแบบให้ทั้งหมดอีกต่อไปแต่จะมีบางชิ้นนะครับที่แอปเปิลน่าจะจ้างให บริษัทของจอห์นนี่อีฟเนี่ยเขาออกมาช่วยออกแบบนะฮะก็ต้องมาลองดูว่าจะมีตัวไหนบ้างแต่ที่แน่ๆนะครับมันก็คงเป็นสัญชาติธรรมของชีวิตการทำงานเนาะก็มีเข้ามีออกซึ่งตัวจอห์นนี่อีฟเองเนี่ยเขาคงมองว่าตัวเขาคงถึงจุดที่เขาคงอยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองและก็เลยตัดสินใจแลาออกออกมานะครับก็ เราในฐานะแฟนคลับของเขาซึ่งก็ชื่นชมผลงานการออกแบบเข้ามาเนี่ยก็คงเป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวเบรกต่อไปนะครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของเกมเมอร์จีนนะฮะเติมเงินสร้างตัวละครในเกมมากกว่าสี่สิบสองล้านบาทแต่ถูกเพื่อนเอาไปขายหมื่นเจ็ดไอ้มันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาฟังกันครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมท<อ><ด>ูเดย์นานาสาระ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 วิทยายลัยการแพทย์แผ่นไทยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชโมงคนธรรัญญาบุรีศูนย์รางศิตปากทางเข้าเมืองเอกติดต่อสอบถามหรือปรึกษาษ์ฟรีโทว์ 02-592-1999 จะมีสักกิจคนที่ได้ส่งต่อความสุขในวันสำคัญ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 どんかうてんこらとりปうだらおでแんぷんわめみほんたりんぱんぷらなきんでくるらんมองฉั น, นสิ มรักฉันเうかもしเธい。 ดีหยุดร้องมองฉันสิ บューマイローレコーンラッダイザマンプライムジェッカーチャウナンゴジョーコープカーバイカープワッラートンチェรドンมェッドイッナーソングヘイシャัラムンコンチェッメイラッシュンラーメイプワッラーメイチェッメイミワンタンベーナンゴー もうこんばんは。<音楽><音楽> カオビカオバイカ รู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์หน้านาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสาระสนเทศสมัยใหม่ฟลิกไฟให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรีเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์ตส์กลับมาเรื่องของเกมเมอร์จีนแต่เนบ้างนะฮะเขาบอกว่าเกมเมอร์จีนเนี่ยเติมเงินสร้างตัวละครในเกมกว่าสี่สิบสองล้านบาทแต่เพื่อน เอาไปขายแค่หมื่นเจ็ดสังกันนะครับในเกมออนไลน์บางเกมนะครับเราสามารถสร้างตัวละครได้อย่างอิสระแต่หากต้องการให้มีความโดดเด่ยนยิ่งกว่าใครก็ต้องควักสตุ้งสตางเงินลงทุนตามกำลังนะฮะอย่างเกมเมอร์คนหนึ่งนะครับที่ยอมลงแรงนับสิบล้านบาทเพื่อสร้างสุดยอดตัวละครของตัวเองแต่วันหนึ่งเกือบจะต้องเสียเพราะเพื่อนนะเป็นยังไงเขาบอกเป็นรายงานข่าวจากเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์นะครับเผยว่า ศาลในมณฑลเสฉวนนะครับพบคดีฟ้องร้องทรัพย์สินจากเกมโดยมีเกมเมอร์หนุ่มชาวจีนคนหนึ่งได้ทำเรื่องฟ้องร้องเพื่อนตัวเองหรืออดีตเพื่อนมากกว่านั้นคงไม่เป็นเพื่อนกันแล้วแหละแล้วก็เน็ตอีสนะครับบริษัทที่พัฒนา just เอ่ออะไรเนี่ย just just เอ่อ just like ออนไลน์เกม mmorpg เนี่ย ซึ่งก็เป็นเกมชื่อดังนะฮะเน็ตอีสเนวันเกาะพี่มิงก็เพิ่งจะคุยกับตัวแทนที่เขามาพูดคุยในเมืองไทยนะฮะเพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะมาจัดแข่งเกมใหญ่ในเมืองไทยนะครับเริ่มมาอยู่ว่านะครับกลับมาเริ่มมีก่อนเริ่มมาอยู่ว่าครับวันหนึ่งเกมเมอร์หนุ่มคนนี้ได้นำตัวละครจากเกมดังกล่าวเนี่ยไปให้เพื่อนยืมใช้งานประเด็นก็คือตัวละครที่ใช้ยืมใช้เนี่ยกับมีมูลค่าสูงถึงสิบล้านหยวนหรือประมาณสี่สิบสองล้านบาทโอ้โห อะไรเนี่ยสงสัยเกมนี้คอสตูมจัดเต็มมากคงสอยไปหลายชุดนะครับทีนี้ก็มีการตกลงว่าจะให้เพื่อนที่ยืมไปเนี่ยขายตัวละครนี้ในราคาสามแสนแปดหมื่นแปดพันหยวนหรือประมาณหนึ่งจุดหกหกล้านบาทแต่ที่เพื่อนยืมไปเนี่ยกลับเผลอใส่ราคาผิดเป็นสามพันแปดร้อยแปดสิบแปดหยวนหรือประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นเหตุเพราะว่าเล่นเกมนานจนเบอรื่อหรือสงสัยจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะครับว่ามีคนซื้อไปอย่างรวดเร็วส่วนแกรมเมอร์หนุ่ม หลังทราบเรื่องนี้ก็โกรธจัดจัดการฟอ้องร้องเพื่อนคนนี้ของเงินคืนชดเชยมาและให้ทางเน็ตอีสเนี่ยคืนตัวละครกลับมาผลก็คือทางเน็ตอีสเนี่ยยกเลิกการซื้อขายและคืนตัวละครดังกล่าวเรียบร้อยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ต้องแลกกับการจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ที่ซื้อไปด้วยเนื่องจากเป็นการซื้อขายอย่างถูกต้องเอาผิดอะไรไม่ได้สุดท้ายนะครับเจ้าของตัวละครมูลค่า42ล้านบาทคนนี้ก็ต้องเสียเงินเป็นจำนวน เก้าหมื่นหยวนหรือประมาณสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทเพื่อกู้ตัวละครกลับมานะฮะท้ายนี้นะฮะสารในมณฑลเสฉวนก็ได้โพสต์รายละเอียดของคาดีนี้ลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยพร้อมว่าของกล่าวว่าคาดีนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการปกป้องทรัพย์สินดิจิทัลและทิ้งท้ายว่าอย่าใช้จ่ายกับเกณฑ์มากเกินไปอันนี้ก็จริงฮะบางที เราเพลินใจายเงินกับการแต่งตัวผู้คอสเพลในเกมเนี่ยเสียเงินขนาดนี้นี่ก็เยอะเกินไปเหมือนกันเนาะคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอ ม, คอมทูเดย์นาณาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสาระสนเทศสมัยใหม่ฟลิกไซให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรีเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์ต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 h e a y i n g who I'm at, so t o u g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 ระวังโดนฝังแอนด์ซอฟต์แวร์ไม่รู้ตัวนะครับช่วงนี้แอนด์ซอฟต์แวร์กำลังระบาดหนักในไทยนะครับมีหลายคนที่โดนพร้อมกับออกมาเตือนให้คนอื่นระหวังมากขึ้นนะครับก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนนะฮะบางคนไม่รู้ว่าแอนด์ซอฟต์แวร์คืออะไรนะครับแอนด์ซอฟต์แวร์ก็คือไวรัสก็ได้นะไวรัสเรียกข้าไทยซึ่งคล้ายกับไวรัสคอมพิวเตอร์ Computer, แต่มันจะไม่ทำอะไรคอมพิวเตอร์เรานะ แต่จะทำกับไฟล์ภายในเครื่องโดยจะดูไฟล์สำคัญๆโดยเฉพาะพวกไฟล์เอกสารไฟล์เอ็กเซลไฟล์ powerpoint แล้วก็จัดแจงล็อกไฟล์ทั้งหมดในเครื่องถ้าเราอยากจะใช้เราก็ต้องไปจ่ายค่าถ่ายเพื่อปลดล็อกซึ่งหากเป็นไฟล์หนังไฟล์เพลงเราก็โหลดใหม่ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นไฟล์งานสำคัญโดยเฉพาะงานของลูกค้าเรื่องนี้หลายคนก็ต้องยอมจ่ายเงินให้กับแฮกเกอร์นะครับทีนี้นะครับมันมีวิธีหนึ่งที่เหล่าไลฟ์ชอบใช้ในขณะนี้ก็คือมันจะส่งในส่วนของฟิชชิ่งเมล ฟิชชิงเบลก็คืออีเมลหลอกอีเมลหลอกลวงนะฮะที่มาในรูปแบบต่างๆวิธีที่เนียนและได้ผลดีที่สุดตอนนี้ก็คือปลอมเมลว่าปลอมว่าเมลนั้ น, นมาจากไมโครซอฟต์แจ้งเตือนให้อัปเดตวินโดว์โดยจะแจ้งว่าอินสตอลและสเตตไมโครซอฟต์อัปเดต now หรือคริสติเคิลไมโครซอฟต์วินโดว์อัปเดตแน่นอนนะครับพอเราอ่านปั๊บนะฮะ ก็ต้องรู้สึกกลัวแล้วก็ต้องรีบอัปเดตโดยทันทีนะฮะพร้อมกันนี้นะฮะมันก็จะมีเขาเรียกว่าลิงก์แนบมาให้เราเหมือนกับหลอกให้เราไปคลิกนะคะซึ่งหลังจากที่อัปเดตจากลิงก์ปลอมๆนี้นะครับแน่นอนเราก็จะถูกทำการยึดฝ่ายทั้งหมดนะครับทั้งนี้คอยรู้ว่าไมโครซอฟท์นั้นจะไม่แจ้งเตือนอัปเดตออฟฟิศหรือวินโดว์อัปเดตผ่านทางอีเมล เพราะว่าทุกครั้งสังเกตดีๆว่าเวลามันจะอัปเดตหรือวินโดวส์จะอัปเดตเนี่ยมันจะเข้ามาในระบบของหน้าจอเลยจะไม่ได้อยู่ที่อ、e、ีเมลนะฮะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเจออ、e、ีเมลพวกนี้ให้หลบทิ้งนะฮะไม่ต้องส่งต่ออย่าเพล๋อกดลิงก์เป็นอันขาดเพราะว่าแน่นอนถ้าเพล๋อกดไปมันจะทำการยึดตัวเครื่องหรือไฟล์ของเครื่องเราเลยนะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเรามีไฟล์ที่สำคัญเราก็ต้องไปเสียสะดุ้งสะดางนะถ้าไม่เสียสะดุ้งสะดางเราก็เปิดไฟล์เหล่านั้นไม่ได้นะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของ ข้อควรระวังในยุคนี้นะฮะยุคนี้เวลาจะเห็นอีเมลอะไรเนี่ยตั้งสติอ่านดีๆนะหลายครั้งบางทีงานยุ่ ง, งเบอร์เบอร์เล่นเกมเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้พอมาอ่านอีเมลคุณก็อาจจะเพลิ้กคลิกในสิ่งที่ไม่ควรจะคลิกซึ่งแน่นอนนะครับไฟล์เหล่านี้มักจะเป็นไฟล์ที่อันตรายสัดส่วนใหญ่นะครับอ่ะความรู้ตรงนี้ยังมีอีกมากนะฮะถ้าใครอยากรู้ว่าไอ้แลนด์ซอฟแวร์คืออะไรฟิชชิง เมลคืออะไรนะฮะก็ลองไปเซิร์ชในเว็บไซต์ aipfan.com มีคำตอบอยู่นั้นเยอะเลยนะฮะมีหลายๆข่ า, คราวที่น่าสนใจและมีความรู้หลายๆเรื่องที่คุณสามารถที่จะทำความรู้จักกับมันได้นั่นเองครับ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 「ちっち オーガーシュンワイ 《ân,「Real Rock」》 เดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทุ่ยเดย์นาณาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสาระสนเทศสมัยใหม่คลิกใจให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรีเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์ตส์หลายคนที่เคยใช้วอตแอปอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่เยอะในเมืองไทยแต่ก็เชื่อว่า นักธุรกิจที่ทำงานหรือว่าติดต่อกับชาวต่างชาติส่วนใหญ่ก็จะใช้วาตแอพในการพูดคุยนะครับล่าสุดนะครับพบบั๊กของวอตแอพให้แฮกเกอร์ลงสปายแวร์ในมือถือของเราได้นะฮะช่องโหว่นี้นะครับส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ใช้งานเออระดับองค์กรของวอตแอพก็โดนกันหมดไม่ว่าจะเป็นกูเกิลแอนดรอยแอปเปิลไอโอเอสหรือไมโครซอฟท์อินโดพูดง่ายๆว่าวทุกแพลตฟอร์มนี้โจมตีได้หมดหรือว่าติดกันหมดเลยนะครับซึ่ง การทำตรงนี้ก็คือทำอะไรเพื่อโจมตีช่องโหว่นี้เนี่ยแฮกเกอร์จำเป็นต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ของเป้าหมายที่สมัครใช้งานวอตแอบไว้จากนั้นก็จะมีการส่งไฟล์เอ็มเปกโฟร์ซึ่งเหมือ น, นไฟล์หนังเนี่ยที่ทำขึ้นเฉพาะผ่านวอตแอบถ้าเราเผลอกดลิงก์เปิดไฟล์วีโอแฮกเกอร์ก็จะติดตั้งสปายแวร์ที่จะขโมยข้อมูลภายในเครื่องหรือไฟล์ต่างๆภายในเครื่องของเราทันทีนะครับในเวอร์ชันวอตแอบที่มีช่องโหว่ก็คือวอตแอบในแอนดรอยด์เวอร์ชันก่อนอัปเดตเป็นสองจุดหนึ่งเก้า จุดสองเจ็ดสี่นะฮะถ้าเป็น iOS ก็จะเป็นเวอร์ชันก่อนอัปเดตเป็นสองจุดหนึ่งเก้าจุดหนึ่งร้อยถ้าเป็น Enterprise Client นะฮะเวอร์ชันก่อนอัปเดตเป็นสองจุดสองห้าสามสองจุดห้าสองจุดสองห้าจุดสามขออภัยฮะแล้วก็ถ้าเป็น Windows Phone นะฮะก็จะเป็นเวอร์ชันก่อนอัปเดตของตัวสองจุดหนึ่งแปดจุดสามหกแปดนะฮะ Business for Android เวอร์ชันก่อนอัปเดตจะเป็นสองจุดหนึ่งเก้าจุดหนึ่งศูนย์สี่ Business for iOS version ก่อนอัปเดตก็จะเป็น 2.19.10 ก็คือพวกนี้มีช่องโหว่เพราะฉะนั้นต้องอัปเดตให้ใหม่กว่าเหล่านี้นะครับคำแนะนำนะครับก็คือหากใครที่ใช้ WhatsApp ช่วงนี้ใครส่งไฟล์ดูโอมาให้ก็หลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์ไปก่อนชั่ ว, ว, วคราวนะครับจนกว่าจะมีการแก้ไขบั๊คนี้แต่เนื้อหาข่าวที่ต่างประเทศบอกไว้ก็คือ WhatsApp เนี่ยแอบแก้ไขแบบเงียบๆแล้วแต่ไม่ยอมเปิดเผยออกมาก็ที่สำคัญก็อัปเดตซะจะได้ เป็นโวชัลล่าสุดนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังในการใช้คอมพิวเตอร์ในยุคนี้หรือสมาร์ทโฟนในยุคนี้นะครับเพราะว่ามันมีพวกโอ้โหพวกสปายแวร์พวกพวกเนี้ยทำงานกันเยอะมากเลยเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวกันนิดหนึ่งนะฮะพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพี่มิ้งจะเอาเรื่องของ5เหตุผลที่ควรซื้อคอมในช่วงสิ้นปีนี้มาฝากกันว่ามีอะไรบ้าง และก็ยังมีอีกหลายเรื่องเราวที่จะนำมาฝากกันและแน่นอนนะครับทั้งหมดทั้งหมวลก็จะส่งไปที่งานคอมมัดเวิร์ก2019ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง22ธันวาคมนะครับที่ไปเทคบางหนังนาสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะครับก็อย่าลืมไปให้กำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับงานนี้ต้องเรียกว่ามีสีสันจัดเต็มจริงๆนะฮะเดี๋ยวค่อยๆฟังกันไปผ่านทางเฟซบุ๊กของคอมมัดไทยแลนด์นะฮะหรือเว็บไซต์คอมมัดไทยแลนด์ .com เพราะว่าครั้งนี้เรามีถุงผ้ามาแจกมีไวเซอร์มีจุดถ่ายรูปที่แบบเป็น mapping projector นะฮะหรือแม้กระทั่งมีเกมแบบ inter active game ให้เล่นเอาเป็นว่ารอบนี้มันเด็ดจริงๆนะครับเวลาของวันนี้หมดลงแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คืนพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ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 กับศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวิทยายลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชชั่วโมงคลธัญญาบุรีศูนย์รงังสิทธ์ปากทางเข้าเมืองเอกติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโท0 59 2 592 1 999จะมีสักกิจคนที่ได้ส่งต่อความสุขในวันสำคญ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 ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสองเท่าของจำนวนเงินบริจาคสอบถามข้อมูลโทร025493672